ต้นทุนสูงทีเดียวนะว่าต้องสเสียสละความสะดวกสบายหลายๆอย่างเสละลูกหลานบันช่องเสียสละที่อยู่ที่นอนสบายมานอนกลางดินกินกลางทรายนั่นเองก็ก็คนที่จะได้รับประโยชน์และอ น, นิสงฆ์ของการมาครั้งนี้ไม่มากก็น้อยนะเป็นบุญกุศลที่สัมผัสได้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 ก็อยู่ในใจเราความเป็นพระอริยเจ้าก็อยู่ในใจเราความเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าพระปฏิเจกอยู่ในใจเราหมดนี่มีทุกอย่างเลยในใจเรานี่เราอยากจะเป็นอะไรเป็นได้แต่เราต้องการเป็นจริงๆริงไหมเพราะเราคนเนี่ยคําว่าคนมันเป็นเขาเรียกวเป็นศูนย์กลางเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางคนให้มันเข้ากันก็เรียกออกมาเป็นคน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 บางวันเปรตมันเข้าแล้วก็อยากดีอยากได้อยากเด่นอยากดังอบางวันไอศุมันเข้าแล้วก็อยากมียศมีศักด์อคคระฐานบางวันสัตว์มันเข้าก็อยากทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งถกเถียงกับผู้อื่นอบางวันมนุษย์เข้าก็อมีเหตุมีผลมีศีลมีธรรมขึ้นมาบางวันเทวดามันเข้าเป็นคนใจดีให้มีเวลาให้หมดใจดี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 ายมันตื่นใจมันตื่นคนตื่นคือคนไม่หลับแต่คนหลับเป็นงไงมันฝันใช่ไหมหรบางทีบอกว่าไม่ฝันไม่ใช่มันฝันแต่แต่มันจะไม่ได้ก็เรียไม่ฝันคนตื่นคือคนไม่ฝันฝันกลางคืนกลางคืนเรียกว่าฝันกลางวันเรียกว่าคิดคนที่กำลังคิดอยู่คิดอะไรอยู่นั่นแนหะคือคนหลับ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 พาราหาเวปัญจักขันธาความคิดเป็นของหนักเน้อพาราห า, ราโรจะปุคโรคนโง่และแบกของความคิดพาไปพาราทานังทุขังโลเกการแบกความคิดการอยู่ในความคิดเป็นทุกข์ในโลกพารานิเคปันังสุขงังการสลัดความคิดทิ้งเสียเป็นความสุขน ะ, ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าขันห้านั่ น, นแหละแปลว่าความคิดอ่ะนะ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 ไม่ต้องพูดถึงเพราะมันมันเป็นเรื่องนอกตัวแต่เรื่องในตัวของเราเนี่ยต้องตอบย้าเพราะเราเจอกันไม่กี่วันกี่เวลาต้องจากกันไปทีนี้ก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยเรามีอะไรที่จะได้จากกันมั่งอ่ะก็เรื่องนี้เท่านั้นนะเรื่องอืนออง่นมาก็ไม่มีให้เรื่องที่จะให้เกิดรู้กายรู cay, ร้ใจเห็นกายเห็นใจเห็นกายเห็นใจรู้กายรู้ใจเป็นแล้วได้แก้ทุกเป็นเมื่อแก่ทุกเป็นแล้วกลั ว, ลวทุกไหมทีนี้ไม่ต้องกลัว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 บัดนี้เราได้สติแล้วเจ้าความคิดจะมาลบกวนใจเราไม่ได้อีกต่อไปเราได้โคงเลื่อนยอดเลื่อนโคงเลื่อนคืออะไรคือขันหา้ายอดเลื่อนคืออะไรอวิชชาเราก็รื้อเสียแล้วนี่สังขาราคาต่างจิตต่างจิตของเราไม่ปรุงแต่งอีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปของความทุกข์เห็นไหมชัดนะท่านซึ้งมากไปเดียนะ